ความตื่นเต้นออกรสชาติที่สุดในการยิงสัตว์ก็คือสัตว์ใหญ่มีอันตรายในขณะที่มันได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนทวีความดุร้ายยิ่งขึ้นและวิ่งสวนเข้ามาหมายจะเอาชีวิตของเราและเราก็ยิงมันในขณะนั้นนั่นแหละครับแต่ผมไม่ขอสนับสนุนหรือแนะนำวิธียิงสัตว์ในแบบนี้แก่ใครทั้งสิน้นเพราะมันเป็นวิธีที่เสี่ยงอันตรายอย่างที่สุดและผิดหลักของพรานทั่วไปผมเองก็ไม่นิยมปฏิบัติ นอกจากว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะความจําเป็นบังคับผมเกิดจะเอาชีวิตไม่รอดมาครั้งหนึ่งแล้วในการยืนลัปักหลักยิงกระทิงที่สวนชาร์ตเข้ามาแต่ในขณะนั้นมันจวนตัวจริงๆหาที่หลบหรือกำบังไม่ทันกระทิงตัวนั้นถูกปราบลงได้แต่ตัวผมเองก็ไปนอนโรงพยาบาลเสียเดือนกว่าความจริงน่าจะตายแต่โชคของผมยังดีอยู่เราได้ทราบข่าเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน คุณอัมพลเล่าให้เราฟังเชษฐาพูดความตื่นเต้นที่รองไปจากนี้ก็คือการยิงสัตว์ในขณะที่อยู่พื้นดินอย่างเดียวกับมันไม่ว่าจะเป็นการเดินแกะรอยยิงหรือว่านั่งซุ่มยิงเพราะโอกาสที่มันจะทำให้เราตื่นเต้นหวาดเสียวมีอยู่มากผิดกับการนั่งห้างยิงซึ่งแทบจะเรียกว่าเราไม่มีการเสี่ยงอะไรเลยเอาเปรียบมันทุกประตู สัตว์ป่าชนิดไหนที่เป็นอันตรายที่สุดในการเดินป่าดารินตั้งคำถามมาบ้างคุณหญิงลองทายสิครับช้างกระมังไม่ใช่ครับเสืองั้นเรอฉันเคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าถ้ามันดุจริงๆมันจะย่องเข้ามาเล่นงานพวกร า, าสัตว์จนถึงแคมป์ที่พักในขณะที่นอนหลับก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละครับ เสือช้างหรือสัตว์ใหญ่หน่ากลัวมีอันตรายต่างๆแท้ที่จริงมันไม่ได้เป็นภัยที่น่ากลัวสำหรับนักเดินป่าเลยธรรมชาติของพวกนี้โดยปกติแล้วมักจะหนีคนอยู่เสมอจะสู้หรือคิดทำร้ายก็เฉพาะเมื่อตอนเจ็บและจูนตัวเท่านั้นถ้างั้นอะไรล่ะหรือว่าไม่มีมีสิครับมีแน่ๆนักเดินป่าหรือด่าสัตว์ทุกคนกลัวมันทั้งนั้นและก็ไม่มีทางจะป้องกันด้วย นอกจากจะใช้ความระมัดระวังรอบคอบให้มากที่สุดงูพิษทุกชนิดยังไงล่ะครับคุณหญิงเจ้าพวกนี้มักจะเล่นงานเราโดยไม่รู้ตัวเสมออาจเป็นการเดินไปเหยียบมันอย่างบังเอิญอาจผ่านไปในขณะที่มันหลบซ่อนอยู่หรืออาจแอบเข้ามากัดในขณะที่เรานอนหลับชีวิตของนักเดินป่าส่วนมากสิ้นไปเพราะอันตรายจากพวกงูพิษเหล่านี้มากเสียกว่าสัตว์อื่น เส้นผมบางปุขาเลยหรื อ, อยังไงน้อยชายยานหันมารอดารินพร้อมกับหัวเราะแต่น้อยคงไม่กลัวไม่ใช่เหรอเห็นเตรียมเซ ร, รุ่มมาทั้งแยะนี่หม่อมราชวงศ์ดารินหน้งางําพูดกระแทกเสียงเม <im itar> <American> ื่อฉันถามถึงสัตว์ป่าฉันไม่ได้หมายความถึงจำพวกงูฉันหมายถึงสัตว์สี่เท้าสองเท้าทั้งหลายก็ไม่นึกเหมือนกันว่าเขาจะตอบแบบกําปั้นทุบดินแบบนี้ งูนะใ ค, ใครก็รู้ว่ามันมีทุกขนทุกแห่งนั่นแหละป่าดงพงพีตามทุ่งตามนาหรือแม้กระทั่งลานเทเลสหินอ่อนในบ้านของฉันที่กรุงเทพงูเหา่ามันก็ยังเคยเลื้อยขึ้นมาเลยเออเนะี่ยอยากจะถามเพื่อหาความรู้กับเขาแล้วพอเขาตอบให้ก็มีโมโหเย็นน้อยนี่พี่ชายตำหนิมาด้วยอารมณ์ขันขันกึ่งรำคาญคุณหญิงต้องถามใหม่สิครับว่า สัตว์ป่าที่เราจงใจจะล่ามันชนิดไหนเป็นสัตว์ที่น่ากลัวและมีอันตรายที่สุดในระหว่างการล่าไม่ถามแล้วหญิงสาวตอบสบัดสบัดหัวเราะออกมาอย่างถอนฉิวและกล่าวต่อว่าแต่อยากจะถามอีกข้อหนึ่งในฐานะที่คุณเป็นพรานใหญ่ชื่อเสียงเกรียงไกรถึงขนาดนี้คุณเล่ารู้ไม่ว่าการล่าสัตว์อะไรที่ถือกันว่าเป็นสัตว์ใหญ่อันตรายที่สุดของโลก ผมไม่ทราบหรอกครับบางทีจะเป็นเพราะผมไม่ใช่พรานใหญ่ของโลกอย่างคุณหญิงว่าก็ได้ระพินตอบอย่างสุภาพซ่อนยิม้มบอกกับตนเองว่านิสัยผู้หญิงมักจะเป็นอย่างนี้เองต่อให้ฉล า, าดปราดเปรื่องผ่านอะไรต่ออะไรมาสักขนาดไหนก็ตามแต่ก็หนีอะไรที่เป็นไปในแบบผู้หญิงหรือเด็กไปไม่ได้และในขณะนี้เขามีความรู้สึกเหมือนจะร้อเด็กเล่น ร้อ้มีโมโหเดือดดาลแล้วก็พิจารณาดูความน่าเอ็นดูรักคนไปกับหน้าลำคาญ น, นั้นด้วยความอารมณ์คื้นเครงชายยันผู้ดูเหมือนจะเป็นขมิ้นกับปูลมาตลอดเวลากับดารินก็กระทุ้งแทนมาให้ว่าแล้วน้อยว่าอะไรละ่ะไหนลองขยายภูมิของนักา่าสตว์ที่คุยว่าผ่านมาแล้วทุกป่าทั่วโลกหน่อยสิมีโคเดีย วงการล่าสาัตว์ทั่วโลกถือกันว่าเป็นเกมที่ใหญ่ยิ่งและมีอันตรายที่สุดรองลงมาก็คือควายป่าแอ ฟ, ฟริกันซึ่งทั้งสองชนิดฉันเคยยิงมันมากับมือแล้วด้วยซ้ำรอนเชิดหน้าจีบ ป, ปากบอกพี่ชายและเพื่อนชายพากันหัวเราะไอการล่าสาัตว์แบบบันเทิงชนิดที่ตีตั๋วราคาแพงเข้าไปในบริเวณป่าสงวนที่ทางการเขาเลี้ยงเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวซ้อมมือเล่น แล้วก็ต้องจ้างพานผิวขาวคอยถือปืนคุ้มกันให้ในขณะที่ยิงนั่นนะ่ะมันก็เหมือนการล่าสัตว์อยู่ในกรงนั่นแหละน้อยไม่น่าจะเอามาคุยเลยพะผาสิและในขณะนี้เราก็ไม่ได้บุกอาราก์กกาหรือบุกแอฟริกาแต่เรากำลังจะบุกตะนาวสีความเก่งกล้าสามารถของน้อยในการล้มหมีโคดีกหรือควายป่าแอฟริกันเอามาคุยกับคุณลพินไม่ได้หรอก เราควรจะเรียนเพื่อหาความรู้ความชำนาญจากเขาแม้ในด้านทฤษฎีก่อนก็ยังดีไม่ใช่มาคุยถึงการตีตัวเพื่อราชสัตว์อันเป็นกีฬาบันเทิงของนักท่องเที่ยวเขาใจชา ย, ยันพูดพรางหัวเราะก็ขอคุยรับมั่งสิมีอย่างหรือถามดีดีกับตอบเรี้ยวรถหาเรื่องยั่วโมโหหยุดได้ดารินบ่นอุบอิบชำืองคอนให้ทั้งหมดพากันหัวเราะกันขึ้นอีก สัตว์อะไรยิงยากที่สุดและมีอันตรายที่สุดในป่าของเราตามความรู้สึกของคุณหม่อมราชวงศ์เชตฐาหันมาทางระพินถามอย่างสนใจความรู้สึกของพรานทุกคนอาจไม่เหมือนกันนักหรอกครับคุณชายเขากล่าวขึ้นช้าช้าบางคนกลัวช้างเพราะช้างมักจะมาเป็นโขงและถ้ามันรวมกําลังการบุกตะรุยเข้ามาจริงๆเรามักจะยิงมันไม่ทัน ตัวหนึ่งล้มอีกตัวหนึ่งอาจถึงตัวเราสิก่อนบางคนกลัวเสือเพราะเคยพิสูจน์กันได้หลายครั้งแล้วว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบฉลาดที่สุดในบรรดาสัตว์ป่า ด, ด้วยกันถ้าลงมันได้จ้องจะเป็นศัตรตูอาฆาตแค้นกับคนล่ามันจริงแล้วก็เรียกว่ามีอันตรายที่สุดบางคนก็ว่าหมีเป็นสัตว์ที่มีความอาฆาตอย่างรุนแรงที่สุดลงทัคู่ของมันตัวหนึ่งถูกยิงตาย อีกตัวหนึ่งจะต้องแก้แค้นจนกว่ามันจะฆ่าศัตรูของมันได้หรือจนกว่าตัวมันจะตายทีเดียวส่วนบางคนไม่ยอมเข้าใกล้อีกแก้งที่ถูกยิงล้มลงไปแล้วจนกว่าจะซ้ำให้ตายสนิทเพราะเคยปรากฏว่าแก้งที่กำลังจะตายลุกขึ้นขวิดเอาคนยิงมันบาดเจ็บสาหัสหรือตายถึงตายไปก็มีซึ่งจะประมาทมันไม่ได้บางคนก็ระมัดระ ว, งวังวัวแดงเสียยิ่งกว่ากระทิง เรื่องต่ตางๆเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่ว่าใครจะมีประสบการณ์กับตนเองมาอย่างไรและนํามายึดถือเป็นหลักซึ่งมันไม่มีทฤษฎีใ ด, ดจะเที่ยงแท้แน่นอนเสมอไปนักแล้วเขาก็หัวเราะออกมาเบาๆจุดปรีสูบสําหรับผมถ้าจะล่าหมูป่ากันแล้วก็ผมจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอให้มีความรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษ หมูป่านั้นชื่อของมันค้านกับบุคลิกลักษณะและพิษร้ายของมันอย่างชนิดเป็นตรงกันข้ามทีเดียวที่ผมถือว่าหมูป่าเป็นสัตว์อันตรายที่สุดก็เพราะผมเคยเห็นพรานเก่งๆหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะหมูป่าอันเนื่องมาจากความประมาทว่ามันเป็นหมูและตัวผมเองเกือบตายเพราะเจ้าหมูป่ามาหลายครั้งแล้วยิ่งเสียวกว่าสัตว์ชนิดใดทั้งสิน้นในขณะที่นัดแรกที่ผมยิงมันไม่อยู่ ทุกคนมองดูเขาอย่างประหลาดใจงงงนันแปลกจริงหมูป่าน่ะเหรอคุณถือว่าเป็นสัตว์อันตรายที่สุดในการล่าชัยันครางออกมาจอมพลานก้มศรีรษะครับหมูป่านี่แหละร้ายกาจเกินชื่อนักเขาคิดว่าหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินคงจะหัวเราะงอหายออกมาในคำพูดของเขาแต่หล่อนกลับขยับตัวแสดงอาการสนใจอย่างยิ่ง มองมายังเขาด้วยอาการเตรียมพร้อมเตรียมฟังอย่างตั้งอกตั้งใจโปรดอธิบายสิคุณละพินเชษฐาพูดอย่างทึ่งๆการชาร์จหรือการทำร้ายโต้ตอบของมันในขณะทุกที่ถูกเจ็บผิดกับสัตว์อื่นทุกชนิดครับคุณชายสัตว์อื่นถ้าวิ่งเข้าใส่เมื่อพลาดเป้าหมายโดยเราหลบเสียทันหรือมีกาลังมันก็จะวิ่งเลิดผ่านไปเลยแต่หมูป่าไม่ใช่อย่างนั้น มันวิ่งเข้าใส่เราเมื่อผิดก็จะหวนกลับเข้ามาใส่อีกชนิดที่คลุกครีพลวันหลายตลบโดยไม่เปิดโอกาสให้เราตั้งตัวติดทีเดียวยิ่งกว่านั้นยังคล่องแคล่วว่องไวที่สุดดูแทบจะไม่ทันตัวมันก็ไม่ใช่ใหญ่อะไรนะักการจะยิงซ้ําในขณะที่มันพลวันเข้าเล่นงานเราทําได้ยากมากการตามรอยหมูที่ถูกยิงเจ็บไปหรืออีกในหนึ่งที่เรียกกันว่าหมูลําบากก็เหมือนกัน ยากก่การตามรอยเสือลำบากเสียอีกเสือที่ถูกเจ็บไปไม่ว่าจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดถ้าเราตามเข้าไปได้ระยะที่มันรู้ตัวได้กลิ่นก็มาจะคำรามให้เสียงเป็นเชิงบอกให้เรารู้ตัวสีย ก, ก่อนว่ามันแอบอยู่ตรงไหนทำให้เราสะดวกในการที่จะเข้าไปยิงซ้าแต่หมูไม่ใช่อย่างนั้นมันจะซุ่มนิ่งอยู่กับที่ไม่กระตกกระตากอะไรเลยพอเราเข้าไปได้ระยะของมันก็จะจู่โจมก็ใส่ทันทีโดยไม่ให้รู้ตัว อีกอย่างหนึ่งการตามรอยหมูก็ยากกว่าการตามรอยสัตว์อื่นๆมากมันมักจะซอกแทกไปตามที่รกชัดเป็นอุปสรรคในการติดตามยิ่งกว่านั้นหมูป่ายังมีนิสัยปากบอนไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็กัดแทะขุดคุย้ยบริเวณที่มันผ่านไปเป็นนิสัยบางทีมันไปเจองูในทิศทางที่มันเดินผ่านไปแทนที่มันจะเลี่ยงหลีกไปเสียมันก็จะกัดงูตักขาดทิ้งไว้มักจะปรากฏอยู่บ่อย นี่เป็นอันตรายมากงูถูกกัดตัวขาดยังไม่ตายสนิทเลื้อยไปไหนก็ไม่ได้นอนรอคอยอยู่นั่นเองพอเราตามรอยหมูที่ร่วงหน้าไปก่อนไม่ทันเห็นไปเหยียบอางูที่มันกัดทิ้งไว้งูก็กัดเราตายเสียก่อนอันตรายจากการล่าหมูป่าก็มีอย่างนี้แหะครับถ้าไม่เคยชินกับสัญชาตญาณของมันจริงๆคนก็มักจะไม่รู้คิดว่าคิดประมาทว่ามันเป็นหมูโดยมองข้ามพิษร้ายของมันไปเสีย พลานที่ถูกหมูกัดหรือขิดตายก็เพราะความประมาทเป็นต้นเหตุอืมนี่เป็นความรู้ใหม่ทีเดียวแช่ฐาได้ชายยันครางออกมาพร้อมๆกันเป็นการดีหรือเกินที่เรามีโอกาสคุยกันสีก่อนที่จะออกเดินทางเข้าป่าแท้จริงถึงอย่างไรก็ตามขณะ น, นี้คุณก็เปรียบเหมือนครูของพวกเราแล้วอย่าลังเลอะไรเลยในการที่จะสอนอะไรให้รู้ในเรื่องของป่า เราขอยอมรับว่าพวกเราไม่มีความชนานาญมาก่อนและเป็นฝ่ายขอรับความรู้หรือจะพูดตรงๆก็คือขอเรียนจากคุณ น, นั่นแหละแล้วถ้าจะล่าหมูป่าจะให้ทํายังไงถึงจะปลอดภัยดารินถามอ่อยๆจาไว้สองอย่างเท่านั้นครับถ้าอยู่บนพื้นดินเดียวกับมันไม่ใช่ยิงจากห้างก็อย่ายิงสวนหน้ามันเป็นอันขาดธรรมชาติของสัตว์ป่าทุกชนิด เวลาหน้าของมันหันไปทางไหนความตกใจจะหนีหรือจะสู้มันก็เห็นไปข้างหน้าประการที่สองอย่าชล่าใจเชื่อในฝีมือของตัวเองถ้านัดแรกผิดทิ้งปืนกระโดดขึ้นต้นไม้ก่อนใครเขาว่าขี้ขาดก็ช่างเอาความปลอดภัยไว้ก่อนคำพูดแบบอารมณ์ขันของเขาทำให้ทั้งหมดพากันหัวเราะคลื่นขึ้นมาอีกหม่อมราชวงศ์ดารินซักพรางหัวเราะพางมาอีกว่า อ๋อนี่เป็นทฤษฎีหรือคุณเองผู้ได้ชื่อว่าเป็นจอมพรานก็ทําอย่างนี้เหมือนกันหรือพอยิงผิดก็กระโจนขึ้นต้นไม้เลยครับผมรอดตายเพราะหมูป่าก็ด้วยวิธีกระโจนขึ้นต้นไม้นี่แหละครับสัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นช้างหรือกระทิงถ้านัดแรกผิดผมก็ยังพอจะยืนปากหลักยิงนัดที่สองที่สามในเวลามันวิ่งสวนเข้ามาได้แต่หมูป่าผมต้องเพ่นขึ้นต้นไม้ก่อนทิ้งปืนชั่วคราว ตลกจังร้องออกมาพร้อมกับหูวเราะงอหายระพินภัยวันเพิ่งจะเห็นอารมณ์ขันแท้จริงของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินครั้งนี้เป็นครั้งแรกหล่อนเริ่มจะมีความสนุกเพลิดเพลินในการคุยและเป็นกันเองกับเขาขึ้นบ้างว่าแต่เราเถอะจะไม่สอนวิธียิงห ม, ม, มีโ ค, โคเคียกหรือควายป่าแอฟริกันให้คุณรพินได้ศึกษาไว้บ้างหรือชยยันร้องบอกมา หลอนหัวราะจนหน้าแดงสะบัดซึ้นผมดำขรับที่ปิวโรกมาปลกหน้าให้กลับไปเคลียร์อยู่กับไหรฉันคุยโม้ไปงั้นเองแหละความจริงฉันไม่เคยยิงสัตว์อะไรได้เลยสักอย่างนอกจากพวกนกฉันยิงปืนมามากก็จริงแต่ส่วนมากเป็นการยิงเป้ากระดาษคุณคงไม่ถือและอย่านึกหมันไส้ไปเลยนะในพรานในกรณีที่ฉันอวดโมไปบ้างแล้วก็ควรจะถือฉันเป็นลูกศิษย์ในการเดินป่าของคุณสักคน เออให้มันรู้จักรับรองสภาพความจริงอย่างนี้ใช่ไหมสิอย่าเอาแต่อวดดีนักที่ชายว่าผมเคยนั่งห้างดักยิงสัตว์มาหลายครั้งชัยยันชวนสนทนาต่อไปอย่างสนุกพบอะไรอะไรหลายอย่างที่เป็นข้อสงสยัยแต่ยังไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยตามปกติเราขึ้นห้างกันตั้งแต่บ่ายสี่โมงแล้วก็แกลล์ทรมานอยู่บนนั้นจนกว่าจะรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง เท่าที่ผมเคยยิงสัตว์ได้ทุกครั้งเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินมีแสงสว่างพอให้เห็นศูนย์ปืนแต่พอมืดแล้วผมไม่เคยยิงอะไรได้เลยสักครั้งทั้งๆ ท, ที่สัตว์มันเข้ามาใต้ห้างมากมายไก่กองไปหมดไฟฉายที่ส่องออกไปมักจะติดบางไพรของตัวห้างเองหรือมิฉะนั้นก็ติดกิ่งไม้ใบไม้สิห ม, มดกว่าจะพบตาสัตว์พวกมันก็เปิดอ้าวไปหมดแล้วหรือต่อให้พบมัน ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าในระหว่างไฟฉายที่เราส่องสะกดตาสัตว์ไว้และในระหว่างปืนที่เราพยายามจะเล็งศูนย์มันคงอุกขุกขักพิลึกมันไม่ถนัดเลยและผมเคยทำไฟฉายตกจากห้างในเวลาฉุกระหุกนี่บ่อยๆคุณเคยพบกับความยุ่งยากในข้อนี้บ้างไหมหรือว่าคุณมีวิธีแก้ไข ย, ยังไงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสงสัยนั่นเองว่าพวกที่เขานั่งห้างยิงสัตว์กลางคืน โดยใช้ไฟฉายนั้นนะ่ะเขายิงสัตว์ได้โดยวิธีไหนถ้าหากบริเวณที่ขัดห้างเป็นทุ่งโลง่งก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเพราะไม่มีอะไรมาขัดขวางเกะกะลำไฟฉายเป็นอุปสรรคทําให้ส่องเห็นได้ง่ายแต่ถ้าบริเวณที่ขัดห้างเป็นดงทึบมีกิ่งไม้บางภายหนาแน่นเขาจะส่องไฟยิงได้ยังไงนักล่าสมัครเล่นหรือพรานฝึกขัดพบปัญหาอย่างที่คุณชัยยันว่ามาแล้วทุกคนครับ จอมพานอธิบายในขณะที่ยิ้มอย่างสุภาพความสำเร็จในเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับแบบของปืนที่จะใช้ยิงและความชำนาญในการยิงจะมามัวพะวงพึ่งไฟฉายอยู่ไม่ได้ถูกแล้วครับการใช้ไฟฉายส่องบนห้างที่มีบางพรายหรือซุ้มไม้หนาแน่นไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้เลยนอกจากจะทาให้สัตว์รู้ตัวเลดิดหนีเสียก่อนที่เราจะเห็นมันถนัดด้วยซ้า นักล่าสัตว์ที่ชำนาญจะไม่พยายามใช้ไฟฉายเลยในขณะที่นั่งซุ่มอยู่ในที่มีบางพรายและพุ่มไม้ทึบเสียงการเคลื่อนไหวของสัตว์ก็ดีเสียงกัดกินอาหารหรือกินน้ําก็ดีพรานที่จัดเจนจริงๆจะคํานวณถูกในทันทีว่าควรจะเป็นชนิดไหนหรือถ้าคาดเคลื่อนไปบ้างก็ไม่มากนะักคงอยู่ประเภทใกล้เคียงกันนั่นแหละและจะต้องรู้ได้ว่าสัตว์อยู่ห่างออกไปทางด้านไหนสักเท่าไหร่ และอาศัยยิงตามเสียงโดยใช้การคำนวณมันออกจะยากอยู่มากสำหรับคนฝึกใหม่และในการยิงสุ่มโดยอาศัยเพียงแค่เสียงของสัตว์ประกอบกับการคำนวณ น, นี้ไม่มีปืนชนิดไหนจะให้ผลดีเท่ากับประเภทลูกซองผมถึงได้บอกแต่แรกแล้องเ็ครับว่าผมชอบใช้ปืนชนิดนี้สำหรับยิงสัตว์ในเวลากลางคืนคือตัดปัญหาในเรื่องการมองเห็นศูนย์ปืนหรือไม่ออกไปเพราะว่าตากกระบอกตรงเราก็เหนียวไกลได้ทันที ผิดกับไรเฟิลซึ่ง ต, ต้องใช้การเลงพิธีพิถันถ้ามองไม่เห็นศูนย์ปืนก็ไม่มีความหมายอะไรเลยไฟฉายนั้นเอาไว้ส่องสำรวจดูผลการยิงเท่านั้นคือยิงเสียก่อนแล้วค่อยส่องดูทีหลังว่าถูกหรือเปล่าโดยปกติแล้วการนั่งห้างสัตว์มักจะเข้ามาให้ยิงในระยะใกล้มากอยู่แล้วเราใช้ปืนลูกซองยิงตามเสียงและการคานวณส่วนมากก็ไม่ค่อยจะผิด หรือถ้าบังเอิญเราไม่ได้ถือปืนลูกซองถือปืนไรเฟิลแทนก็จะยิงในวิธีเดียวนี่แหละคือยิงสุ่มเข้าไปในที่หมายซึ่งเราแน่ใจว่าสัตว์ควรจะอยู่ที่นั่นเว้นไว้แต่ว่าไรเฟิลมันมีโอกาสถูกสัตว์ได้น้อยกว่าลูกซองเท่านั้นในการยิงดาวสวดเช่นนี้อ๋อเขายิงกันแบบนี้เองนะหรือครับชายันร้องรั้นออกมาหน้าตื่นหันไปมองดูเชิดถาผู้ฟังอยู่อย่างตั้งใจ ฉันเพิ่งจะรู้จากคำบอกเล่าของระพินเดี๋ยวนี้เองนั่นซีสงสัยอยู่ว่าเมื่อใช้ไฟฉายไม่ได้ถนัดเขายิงกันได้ยังไงเล่นยิงตามเสียงนี่เองและไอการยิงแบบนี้มันต้องใช้ความชำนาญอย่างสูงทีเดียวฉันก็เคยบอกแกแล้วว่าปืนลูกซองน่ะความจริงมันใช้มันให้ผลมากที่สุดในการล่าสัตว์ในป่าเมืองเราแกก็มัวแต่คิดว่าปืนลูกซองเป็นปืนชั้นต่ำ สู้ไรเฟิลไม่ได้จริงละ่ะมันสู้ไรเฟิลไม่ได้ในอนุภาพการประหัดประหาระยะไกลหรือต้องการจะล้มสัตว์ใหญ่แต่มันก็ได้เปรียบไรเฟิลในอีกหลายๆทางอย่างที่คุณละพินบอกมาตะกี้นี้สําหรับฉันถ้าจะมีปืนให้ถือได้เพียงกระบอกเดียวแล้วฉันขอถือลูกซองแบบกึ่งอัตโนมัติบรรจุครั้งละหนัดดีกว่าที่จะให้แบกดับเบิลไรเฟิลมันอุ่นใจที่สุดในการล่าสัตว์หรือป้องกันตัวในทุกสถานการณ์ ถ้าไม่คิดหวังจะไปรบกับช้างหรือโรมรันกับแลบดกระทิงเชษฐากล่าวระพินสนับสนุนมาว่าถูกของคุณชายแล้วครับคุณชายยันปืนลูกซองที่เราพิจารณากันว่าเป็นปืนพื้นบ้านธรรมดา น, นี่แหละความจริงมีประโยชน์ที่สุดถ้าหากเราจะเลือกใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ถ้าเราเกงไปว่าในเกมเสี่ยงอันตรายอันหมายถึงจะต้องยิงซ้ำในวงกระสุนที่มากกว่าสองนัด แทนที่เราจะใช้แฟดเราก็เลือกใช้แบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบปัม๊มแอคชั่นเสียเพื่อให้มันบรรจุกระสุนได้มากกว่านั้นสัตว์ป่าเมืองไทยที่ล้มตายอยู่ทุกวันนี้ 90% เอร์ซตายด้วยปืนลูกซองทั้งนั้นป่าเมืองเราเป็นป่าทึบการยิงสัตว์เรายิงกันในระยะไม่ห่างเกินไปนักซึ่งในระยะอย่างว่านี่ลูกซองมีอํานาจในการประหัดประหารได้พ ท, ทีเดียว ยกเว้นสัตว์หนังหนาเพียงไม่กี่ประเภทชายันยักษไรสำหรับผมไม่รู้เป็นยังไงผมถือว่าปืนลูกซองควรจะเป็นปืนที่ยิงสัตว์มีปีกอย่างเดียวเท่านั้นเวลาเข้าป่าล่าสัตว์ใหญ่ผมไม่เคยถือลูกซองเลยเพราะฉะนั้นนะสีเวลากลางคืนแกจึงไม่เคยยิงอะไรได้เลยเพาะมัวแต่มงุมมงงาหละหาศูนย์ปืนไม่พบสัตว์มันเพ่นหนีเสียก่อน ถ้าจะจริงแฮะไปคราวนี้ต้องลองใช้ลูกสองนั่งห้างในเวลากลางคืนอย่างคุณละพินว่าบ้างปัญหามีอยู่ว่าถ้าช้างมันเข้ามาลื้อห้างที่นั่งอยู่ในป่าย่อมจะมีอันตรายทุกฝีก้าวย่างเลยครับและคนที่รักในการผจญไปเท่านั้นที่นิยมเที่ยวป่าซึ่งต้องยอมรับรู้ร่วงหน้าแล้วว่ามันเต็มไปด้วยการเสี่ยงต่อให้คุณถือจุด600ูในโตเอ็กซ์เพรส ถ้าช้างมันจงใจ ย, ยกขบวนเข้ารื้อห้างของคุณจริงๆคุณก็ไม่มีทางจะยับยั้งมันไว้ได้ผมเองเคยล้มช้างมานับครั้งไม่ถ้วนในขณะเดียวกันก็เคยวิ่งหนีช้างป่าราบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันพรานใหญ่กล่าวด้วยเสียงเรียบๆคุณจะไม่แนะนำให้เรารู้ร่วงหน้าเสียหน่อยหรือถ้าเราไปนั่งห้างแล้วช้างมันเกิดยกขยงมาป่วนเปียนอยู่ใกล้ห้างเราจะทายังไงดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างที่ใช้ขัดยิงสัตว์ก็เป็นห้างเตี้ยๆสูงจากพื้นดินไม่มากเท่าไหร่นักแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างแน่นหนาใรเลยชนิดที่มันเอาสีข้างถทีเดียวก็น่าจะถล่มลงมาแล้วนั่งห้างอยู่หลายครั้งผมก็เสียวในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาภาวนาไม่ให้ช้างมันเข้าโชคดีที่มันก็ไม่เคยเข้าในระหว่างที่ผมนั่งอยู่สักทีเท่าที่ปฏิบัติอยู่ ถ้าช้างมันบังเอิญเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ห้างและปืนในมือของผมเล็กกว่ามันไม่สามารถจะล้มมันได้ผมก็ใช้วิธีนั่งสงบมองดูมันเฉยๆการที่มันเข้ามาใกล้เราแสดงว่ามันไม่ได้เจตนาเพราะธรรมชาติของสัตว์ป่า ท, ทุกชนิดถ้าได้กลิ่นเราก่อนแล้วมันจะไม่เข้ามาใกล้เลยนอกจากจะเพ่นหนีทันทีเมื่อช้างเข้ามาใกล้ห้างก็แปลว่ามันไม่รู้ว่าเราอยู่บนห้าง มันจะพากันเดินผ่านหรือหากินการตามปกติธรรมดาแล้วก็จะไปเองหรือถ้าขณะนั้นมันบังเอิญได้กินนราวมันก็จะเคลื่อนโขลงพะไปทันทีข้อสำคัญที่สุดก็คืออย่าทำอะไรกระตุกกระตาให้มันตกใจเป็นอันขาดเพราะถ้ามันตกใจตื่นเกิดวิ่งปั่นป่วนขึ้นมันอาจวิ่งเข้ามาชนต้นไม้ที่เราขัดห้างอยู่โดยที่มันก็ไม่เจตนาก็ได้สรุปแล้ววิธีปลอดภัยที่สุดก็คืออย่าตกใจ ถ้าเห็นสัตว์มันมีขนาดใหญ่กว่าปืนในมือและไม่อยู่ในฐานะที่จะยิงมันได้ก็เฉยเสียอย่าไปยิงมันเกือบจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมทีเดียวในการนั่งสูบบุหรี่เฉยๆมองดูขโขลงช้างเดินลอดใต้ห้างของผมไปชนิดที่สันหลังของมันห่างจากใต้ห้างที่ขาดไว้แค่วาเดียวเท่านั้นโอ้โหผมกลัวว่าผมจะไม่ใจเย็นเท่าคุณลพินนัะสิ เจอเข้าอย่างนั้นมีหวังตัวสั่นตกจากห้างลงมาให้เหยียบเสียก่อนชายยันพูดอย่างคนมีอารมณ์สนุกเปิดเผยขอท้วงหน่อยน้าในพรานจะว่าขาดคอก็ว่าเถอะเสียงใสที่เงียบหม่อมราชวงศ์ดารินดังมาขอนึกว่าหล่อนนั่งหลับไปแล้วที่เก้าอี้ยาวมีนวมรองตัวนั้นแต่ที่ไหนได้เห็นลืมตาแจ๋วเชิญครับคุณหญิง ผมเกือบจะง่วงอยู่แล้วที่คุณหญิงเงียบจากการขัดคอไปตั้งนานเชื่อถากับชายยันหัวเราะ ก, กันขึ้นอีกในคำตอบของเขาหญิงสาวยิ้มแค่นๆสำเนียงและแววตาบอกชัดว่าต้องการรวนเขาอีกคุณบอกว่าธรรมชาติของสัตว์ป่าทุกชนิดถ้าได้กลิ่นคนแล้วจะไม่เข้าใกล้หรือจะแปลให้ชัดก็คือสัตว์ป่าจะต้องหนีคนเสมอถ้า ง, งานเสือทาไมถึงเอาคนไปกินละ่ะ บางรายนอนอยู่ในแคมป์แท้ๆมันยังย่องมาฆ่าออกไปเลยพวกหมีก็เหมือนกันฉันเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามันเข้ามาราังควานคนบ่อยๆช้างในอินเดียก็เคยปรากฏว่ายกโขลงเข้ามาทำลายหมู่บ้านเสียทั้งหมู่ยิ่งกว่า น, นั้นสัตว์ดุร้ายอีกร้ายประเภทพอเห็นคนเข้าก็ปรีเข้าใส่ทันทีโดยเห็นเป็นเหยื่อโอชไปเสีย้ยซ้ำพรานใหญ่หัวเราะในเสียงเรื่อยเฉื่อยอันเป็นปกติธรรมดาของเขา ก่อนหน้าการเซ็นสัญญาจ้างนำทางเขาไม่เคยสนใจอะไรกับหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาจาเป็นจะต้องสนใจรอนแล้วในฐานะนายจ้างและก็น่าจะเป็นนายจ้างชนิดที่ทำความหนักอกหนักใจให้แกเขาไม่ใช่น้อยในระหว่างการเดินทางมหาวิบากครั้งนี้เรียกว่าเป็นภาระหนักอึ้งอันหนึ่งทีเดียวเอน้อยนี่เป็นไงแฮะดูจะรวนคุณพินอยู่เรื่อย ชายยันหันมาบ่นพร้อมกับจุ ป, ป่าไหนเราว่าเรายอมเป็นลูกศิษย์เดินป่าเขาแล้วยังไงล่ะทําไมถึงมาอวดดีกับอาจารย์คอนนู่นขัดนี่อยู่ตลอดเวลาใช่ยอมเป็นลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ที่ดีก็ต้องช่างถามหน่อยสิแล้วในการซักถามหรือค้านในเวลาสงสัยจะหาว่าเป็นการขัดคออาจารย์ก็ไม่ถูกหรือยังไงอาจารย์ประโยคหลังหล่อนหันไปถามจอมพรานหน้าเฉย แต่ตายิ้มเต็มไปด้วยประกายท้าทายครับถูกต้องผมก็เห็นหน่วยก้านมานานแล้วว่าคุณหญิงจะเป็นลูกศิษย์เดินป่าของผมชนิดดีหนึ่งประเภทหนึ่งทีเดียวเอาเถอครับในการเดินทางครั้งนี้คุณหญิงจะได้พบกับภาพปฏิบัติเป็นการฝึกเรียนไปในตัวมีคุณค่ามากกว่าทฤษฎีมากมายนะักแล้วอนุญาตให้ร้องไห้หรือบ่นกระปอดกระแปดก็ได้ แต่อย่าหวังที่จะให้เลิกเรียนเสียกลางคันโดยการย้อนกลับมาส่งบ้านจนกว่าจะจบหลักสูตรนั่นคือตามหาอนุชาได้พบตอบเขาไปยังงั้นสิคุณละพินชา ย, ยานสอดมาหล่อนทำตาเขียวใส่เพื่อนชายผู้มีนิสัยขี้แยแล้วหันมาทางละพินไม่ต้องมาประชดประชันฉันคุณยังไม่ได้ตอบข้อแย้งของฉันเลยเอาละครับผมจะตอบในข้อแย้งของคุณหญิง ขอยืนยันอยู่อีกครั้งว่าสัตว์ป่าทุกชนิดจะไม่พยายามข้องแวะเข้ามารังควานมนุษย์เลยนอกจากจะหลีกไปให้พ้นแต่มันก็มีกรณีพิเศษยกเว้นอยู่บ้างเหมือนกันเป็นต้นว่าถูกมนุษย์รังควานอกก่อนและต่อสู้เพื่อป้องกันตนหรือตอบแทนเป็นการแก้แค้นเสือกินคนก็คือเสือที่ชาราภาพหรือทุพพลภาพไม่มีปัญญาที่จะไปจับสัตว์อื่นใดกินได้อีกแล้ว แลบังเอิญมีโอกาสที่จะจับคนกินได้จนกระทั่งติดเป็นนิสัยช้างจะดุร้ายและเห็นคนเป็นศัตรูตัวฉกาดถ้าโขงของมันถูกตามล่าถูกยิงอยู่บ่อยๆได้รับบาดเจ็บทุกทรมานสัตว์ดุร้ายอื่นๆก็เหมือนกันที่มันเห็นมนุษย์เป็นศัตรูก็เพราะมนุษย์กระทํามันก่อนทั้งสิ้นแต่ละสัตว์เหล่านั้นถ้ามันไม่เคยริ้มรถรู้พิสงกับลูกปืนมาก่อนมันก็ไม่อยากจะมาป้วนเปี้ยนเข้ามารังควานคนหลอก นิสัยของสัตว์ป่าทุกชนิดตื่นคอยระแวงภัยอยู่ทุกฝีก้าวแล้วอะไรที่ผิดกลิ่นผิดท่ามันจะต้องพะหนีก่อนเสมอแต่กฎทุกสิ่งทุกอย่างในโรคนี้ไม่มีอะไรตายตัวทั้งสิ้นมันอาจมีกรณีพิเศษเกิดขึ้นได้เหมือนกันทว่าก็น้อยมากที่พูดให้ฟังนี้เป็นหลักโดยทั่วๆไปรวมความแล้วก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในป่าจะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่นิดหนึ่ง และถ้าเผอิญกับและถ้าเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าให้ใช้สติสัมปชัญญะการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมอย่าตื่นเต้นจนเกินไปนักฝากความไว้วางใจทุกชนิดไว้กับอนุภาพของปืนที่ถืออยู่ในมือและฝีมือการยิงคิดเสมอว่าสัตว์มันไม่มีทางที่จะวิเศษไปกว่ามนุษย์ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณหญิงนี้เป็นต้น สามารถยิงปืนสั้นและยาวได้อย่างแม่นยำที่สุดแต่ถ้าคุณหญิงสามารถยิงสัตว์ได้แม่นยำถูกต้องเหมือนกับการยิงเป้ากระดาษทุกนัดคุณหญิงก็สามารถจะท่องป่าได้อย่างไม่จําเป็นต้องกังวลกับอะไรเลยฉันก็ไม่เห็นกังวลอะไรสักนิดคนอื่นสิที่มากังวลกับฉันโดยไม่จําเป็นหล่อนพูดเบาๆหัว เ, าเาราดเสียงใสเอาเถิดครับแล้วพรุ่งนี้คุณหญิงก็จะรู้ได้เอง และจะรู้ซึ้งขึ้นทุกขณะเมื่อเราลึกเข้าไปยังเขาพระศิวะอันเป็นจุดหมายปลายทางเรื่องของป่ามีอาถานของมันอยู่ในตัวบางขณะมันลี้ับมืดมนชนิดที่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้ถ้าเล่าออกไปแล้วพวกคุณก็อาจจะหัวเราะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลขบขันเอาไว้เผชิญด้วยตาเองดีกว่าครับจะอย่างไรก็ตามขอเตือนย้ำไว้อีกครั้งว่า ไม่ว่าจะพบเห็นอะไรที่ผิดปกติวิกลวิกาลคุมสติไว้ให้ดีอย่าขวัญเสียปืนในมือนั่นแหละครับจะเป็นเครื่องรางป้องกันตัวเราได้อย่างประเสริฐสุดพินิษพิจารณาดูให้แน่เสียก่อนแล้วก็เล็งให้แน่เนี่ยวไกลตูมออกไปเถิดครับอะไรอะไรก็กระเจิงหมด